บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่าการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิย่าแห่งทาตุปร ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุและคำสอนที่เกี่ยวด้วยธาตุนั้นมีวัตถุประสงค์ในการแสดงโดยสรุปสามรายการด้วยกัน ประการแรกเพื่อปรับจิตของบุคคลให้ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติธรรมดาของร่างกายของตนที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ในร่างกายของบุคคลอื่นซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมจิตจิหรือตั้งอยู่ตามธรรมดากับมัน และเป็นธรรมนิยามคืออยู่ในกฎของธรรมชาติไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามถ้าทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่สัสรูนามาเปิดเผยชี้แจงแสดงถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินี้โดยวัตถุประสงค์ ที่จะบันเทาความรู้สึกนึกคิดด้วยอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลซึ่งการกำหนดหมายนั้นจะมีอยู่ในสามแนวด้วยกันได้แก่นแนวที่ว่าเป็นของเราเป็นเราและเป็นตัวเป็นตนของเราตอนนั้นเบื้องแรกจึงทรงสอนให้กำหนดแยก ร่างกายออกเป็นส่วนที่เป็นรู ป, ปรวัตถุสี่ส่วนให ญ, ใหญ่โดยดูลักษณะใดที่แข่นแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้เป็นผมขนเล็ควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกลือในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับปบังผืดไตปอดไซส์ใหญ่ไซส์น้อยหารใหม่หางเก่าจนถึงมันสมองก็มองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงธาตุ ด, ดินซึ่งมีลักษณะเด่นด่ แม่บุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เรากำหนดว่าเป็นของเราเป็นพวกเราหรือแม้เป็นศัตรูก็เราแต่แท้จริงแล้วก็คือธาตุเช่นเดียวกันลักษณะใดาที่ไหลเออบาไปมาได้ไม่ว่าน้ำลายน้ำตาน้ำมันน้ำไขข้อน้ำมูดน้าเงือน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นซึ่งปรากฏอยู่ในกาดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธาตุน้ ที่มีอยู่ทั้งส่วนภายในและส่วนภายนอกบุคคลอื่นก็ประกอบด้วยาธาตุน้ําสัตว์อื่นก็ประกอบด้วยาธาตุน้ําละเราเองก็ประกอบด้วยาธาตุน้ําลักษณะใดที่พัดผัดไปมาได้ลมพัดขึ้นเบื้องต่ำเบื้องตามลมพัดลงเบื้องบนลมในท้องลมในท่ายลมตามตัวลมหายใจโดยเฉพาะลมหายใจซึ่งเป็นตัวปลนปลื้ชีวิตร่างกายของบุคคลให้ดํารงอยู่นี้ แล้วก็เพียงสัตว์ว่าลมเท่านั้นเองคนอื่นก็ประกอบด้วยลมด้รับการปรนปรือไ ว, ว้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลักษณะใดที่ทำการให้อบอุ่นทำการให้กระวนกระวายผวอาหารให้ย่อยสรุปรวมเป็นธาตุของไฟซึงมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกคนอื่นก็ประกอบด้วยธาตุไฟสัตว์อื่นก็ประกอบด้วยธาตุไฟ แสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟในชั้นการปฏิบัตินั้นมุ่งขัดเกลากิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นกาหา์คือความยึดถือด้วยอำนาจตันหาว่าของเราเป็นต้นและประการต่อไปก็คือต้องการจะปรับจิตเวลากระทบอารมณ์ภายนอก ก็ตอนกระทบอารมณ์ภายนอกนั้นบุคคลจะมีการกำหนดหมายอารมณ์ในสามแนวด้วยกันคือแนวที่ก่อให้เกิดความคล้ายความปรารถนาความยินดีหรือ ก, ก่อให้เกิดความชิงชังระอาต้องการจะทำลายหรือให้ปีนาฏไปและแนวที่เป็นกลางๆ <c oughs> ซึ่งทรงใช้ <c oughs> ซึ่งทรงใช้คำโดยสรุปว่า มีความยินดีและความยินร้ายเมื่อใจไปกําหนดว่าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เกิดความยินดีทาไมน่าปรารถนาก็เกิดความยินร้ายทางกรณีของความยินดีและความยินร้ายนั้นเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราก็นี้พึงสังเกตว่าเวลาใจไปกําหนดว่าเป็นของเราเข้า ถ้าหากว่าของเรามีความเจริญเติบโตขึ้นสวยงามขึ้นคงสภาพอยู่เราก็เกิดความยิน ด, ดีแต่ถ้าหากว่าของเรามีความเปลี่ยนแปลงแปรปลุนไปก็เกิดความทุกข์ความโทรมันถ้าหากว่าของเราถูกคนอื่นเข้ามาทําลายก็เกิดความเครียดแค้นจริงชังเกิดความอาฆาตพยาบาทในบุคคลผู้นั้นปัญหาภายในใจของบุคคลจึงเป็นปัญหาร่วมกัน ระหว่งางการกำหนดอารมณ์กับพื้นฐานความรู้สึกต่ออารมณ์ที่ม่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ถ้าการกำหนดหมายว่าของเราไม่มีความยินดียินรายเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่มีเช่นวัตถุบุคคลหรือสิ่งของหรือจะเป็นใครก็ตามประสบความพิบัติใจเราไม่ไปกำหนดหมายว่าของเราเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเรา อย่างดีก็แค่รู้สึกสังเวชสลดจิตแต่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความโศกความ ร, รา่าไรปิริรําคัญต่างๆหรือว่าบุคคลสิ่งของถูกทําลายไปก็ไม่เกิดทุกขโมนั้นบุคคลสิ่งของเหล่านั้นที่หายไปก็ไม่ได้เกิดความเสียใจหรือเกิดความมาคาดแค้นต่อผู้รักผู้ขโมยเหล่านั้น มันของเราจึงกลายเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญภายในใจของบุคคลต า, ากว่าสามาร ถ, ถ่าย t อนความรู้สึกของของเราลงไปได้อย่างน้อยที่สุดในบางขณะบางการเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงแล้วต า, ากาใจปล่อยวางได้ในขณะนั้นไม่มีความเป็นของเราอยู่ในวัตถุนั้นในช่วงนั้นในการนั้น ความโสวความร่ำไรรำพันเป็นต้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือแม้ความอาฆาตชิงชังก็ทำนองเดียวกันก็จะไม่เกิดขึ้นแนวนี้จึงเป็นแนวที่ก่อให้เกิดปัญหาอ น, นานาประการและเชื่อมโยงขึ้นเข้าไปเป็นอุปสรรคของการพัฒนาจิตการสร้างความสงบจิตแม้แต่ในขณะนี้เวลานี้ซึ่งกำลังพยายามทำใจให้สงบอยู่นั้น ถ้าใจไปมีความรู้สึกห่วงใยถึงของเราสักอย่างเนึ่งอาจจะเป็นรถของเราบ้านของเราญาติพี่น้องของเราการงานของเราหรือแม้แต่รองเท้าของเราที่จอดไปใจก็จะวิ่งจะกระสับกระส่ายเป็นห่วงเป็นใยทันทีแล้วก็ให้เกิดเป็นความวิตกกังวลที่เราเรียกว่ากวามวิตกก็สึกซึกถึงอารมณ์ที่ใคร่ กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางใจไม่ให้เกิดความสงบได้ดัานๆในชั้นของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงมักใช้คำว่าสุญญาคานคือที่ว่างเป็นการหลีกเล่นตัวเองออกไปจากสิ่งรอบตัวซึ่งเคยกำหนดหมายว่าเป็นของเราเพื่ออะไรเพื่อให้ตัดปริพภทกังวลใจ สิ่งนั้นของเราสิ่งนี้ของเราสิ่งโน้นของเราให้มาสงบอยู่กับอารมณ์ที่กําหนดระลึกในขณะนั้นๆสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความสงบระงับภายในใจขึ้นมาได้และการกําหนดหมายอีกแนวหนึ่งคือกําหนดหมายด้วยอำนาจเขามานะว่าเป็นเรา หรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าเป็นเราหรือเราเป็นนั้นเป็นลักษณะของการชูงวงของมแมลงป่องคือไปไหนก็ต้องชูงวงมีความเชิดชูตัวเองมีการกาหนดฐานะของตัวเองไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วจะก่อให้เกิดทั้งความยินดีและความยินร้ายเมื่อประสบกับอารมณ์ ฉันเรากําหนดหมายว่าเราใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไปในที่ใดที่หนึ่งเกิดได้รับการต้อนรับที่เราไปกําหนดหมายว่าถูกต้องเหมาะควรแก่ฐานะศักดิ์ศรีก็เกิดความยินดีเกิดสุขเวทนาเกิดความเพลิดเพลินในการต้อนรับเหล่านั้นแต่ในยามใดกรณีใดหรือบริษัทใดกลุ่มใดที่ข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วบริษัทนั้นกลุ่มนั้น ไม่ยอมรับฐานะของเราหรือไม่ให้การยกย่องที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับหรือมีศักดิ์ศรีควรจะได้รับก็เกิดความทุกข์ความโทรมนั้นและพอความเป็นเราเกิดต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวที่ต่ำลงก็เกิดความทุกข์ความเสียใจถ้าก็ตั้งหลักอะไรไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นคนเศร้าซึมมีปัญหาทางใจขึ้นมา แต่พอความเป็นเราเกิดเลื่อนขึ้นสูงขึ้นในตำแหน่งภารกิจการงานต่างๆก็มีความเพลิดเพลินเริงลงก้อนี้พึงสังเกตว่าแท้ที่จริงเราพูดกันได้ด้วยวาจาในเชิงปริยัติสามารถอธิบายกันได้โดยถ้อยคำและโวหารต่างๆแต่ปัญหาที่ยุ่งที่สุดก็คือว่าแก้ทางของใจไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นไว้ในพระสูตรต่างๆและจะมาจบลงด้วยสามแนวอย่างนี้ทุกทีเพราะการรู้เห็นถึงความเป็นทุกข์เป็นโทษความเป็นธาตเป็นต้นนั้นจะต้องเป็นความรู้เห็นที่เข้าถึงใจอย่างน้อยที่สุดในชั้นของเราเมื่อของเราต้องแตกดับไปตามธรรมดาก็ต้องเข้าถึงธรรมดาให้ได้ ว่าเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้จะไม่มีลักษณะการซ้าเติมตนเองว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแต่แท้ที่จริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกต้องเป็นอย่างนั้นแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็บันเทาความเศร้าโศกความเพราะความพลัดพราก ค, ความสูญเสียลงไปได้ ในความเป็นเราก็ลักษณะเช่นเดียวกันแต่อุบายวิธีในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากทรงรู้เห็นว่ากิเลสแต่ละกองนั้นพูดง่ายแต่ละยากจึงมีอุบายวิธีเป็นนั้นมากที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้เพราะความเกิดขึ้นแห่งกิเลสประเภทมานะก็ดีตันหาก็ดีหรือแม่ทิฐินั้น มีองค์ประกอบมีปัจจัยเป็นอันมากคล้ายๆกับบ้านเรือนที่ประกอบด้วยเครื่องประกอบต่างๆดีกว่าจะพังจะทำลายได้ก็ต้องสูญเสียเวลาเป็นแน่จึงทรงสอนให้ทำตนเหมือนโคผู้เขาหักจึงจะมองเห็นภาพว่าโคผู้ที่เขาหักนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมจะต่อสู้กับใครจะไปทำอันตรายใคร ห า, าบุคคลมีความสํานึกว่าเราเป็นโคผู้เขาหักก็จะทําให้ลดละความโกรธความอาฆาตพยาบาทลงไปสามารถยุติปัญหาเรื่องขับคล้องใจต่างๆลงไปได้คือบางครั้งทรงอุปมาให้สร้างความรู้สึกว่าเหมือนกับภาพเช็ดพื้นคือผ้าเช็ดพื้นนั้นก็อาจจะเอาไปเช็ดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง แล้วก็ไม่สร้างความยินดีและความยินไร้าถ้าในกรณีนี้ก็คุมความรู้สึกไม่ได้ทั้งในกรณีของความรู้สึกว่าของเราและในกรณีของความรู้สึกว่าเป็นเราอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะเทระเนื่องจากพระเทระนั้นเป็นคนสำคัญมาก่อนในฐานะทางครอบครัวก็เป็นหัวหน้าบ้าน พ่อเป็นหัวหน้าบ้านฐานะทางทรัพย์สินก็เป็นเศรษฐีฐานะของนักบวชก็เป็นระดับอาจารย์ในสำนักของสัญชัยปริภาชกมาก่อนและพอมาบวชก็เป็นสัมมณศัก์กัจจบุตรมีสมมติทับกันอยู่หลายชั้นห า, ากว่าคนตั้งหลักไม่ได้ไปกำหนดหมายสมมติเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงจังเกินไปในที่สุดจะเดือดร้อนเพราะความเป็นของตน จึงสอนให้ท่านสัมเนียกว่าเราจักไม่ชูง่วงคือทาบาดแบบพลังปองชูหางไปได้แก่ไม่ถือตัวเวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะรับสภาพเหล่านั้นเพื่อคุมใจให้เป็นอย่างไรคุมใจแม้เกิดมีทั้งความยินดีและความยินร้ายถือเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องปกติวิสัย ว่าไปประสบกับอารมณ์เรื่องราวที่คนอื่นเขาไม่พอใจเช่นการไม่ให้เกียรติไม่รับการยกย่องเป็นต้นก็ทําใจได้เวลาประสบกับการยกย่องก็ทําใจได้นี่ก็คือใจที่มีหลักคุ้มครองการที่ทรงสอนในแนวนี้พึงเข้าใจว่าเป็นคําสอนระดับวิปัสสนากรรมฐาน เป็นการใช้ปัญญาให้เห็นไปจักแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้นเป็นความจริงระดับแท้จริงมุ่งจะแก้ปัญหาที่ตัวเองคือแก้ปัญหาในด้านจิตใจกับแก้ปัญหาในด้านอารมณ์ในด้านอารมณ์นั้นเมื่อจะผ่านมาอย่างไรก็ตามก็จับในแนวของธาต ธรรมดาแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครจะทิ้งของสะอาดของสกรปรกใครจะขุดใครจะทำลายแผ่นดินก็คือแผ่นดินไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายเกิดขึ้นในแผ่นดินเวลาประสบกับอารมณ์ทั้งหลายแตนั้นเวลากระทบจากภายนอกก็ทำใจเสมอแผ่นดินบางครั้งบางคราวก็อาจจะยกอย่างอื่นเช่นทำใจเสมอเสาเกื่อนทำใจเสมอภูเขาศิลาแท่งทึบ คือเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทำใจไม่ ห, หวั่นไหวนั่นเองแต่อาศัยรูปธรรมต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการหาความเข้าใจว่าแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรแผ่นดินก็คงเป็นแผ่นดินคงเป็นผู้ต้านทานคงเป็นผู้ทำรงรักษาสัตว์โลกเอาไว้แม้คนจะทิ้งของสกรปรกไปก็ไม่ทำลายเขาทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่อะไรเขานี่คือลักษณะของแผ่นดิน เรื่องการเรียนด้วยน้ำก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการกำหนดอารมณ์ที่มากระทบทำใจของตนเองให้เสมอนน้ำซึ่งอาจจะเอาในแนวการชำระล้างก็ได้ในแนวการไม่ยินดียินร้ายก็ได้ในแนวการที่พร้อมจะปรับตัวเองให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมหาสมุทรก็ได้อยู่ในแอ่งเล็กๆ ก, ก็ได้ไหลเข้าคลองใหญ่ก็ได้เข้าคลองเล็กก็ได้ทางผ่านนิดเดียวก็ไปได้ นี่คือเรื่องของการปรับตัวแบบนะและอยู่ที่ไหนก็สะท้อนภาพสะท้อนสีสะท้อนสิ่งแวดล้อมได้เป็นการปฏิบัติให้ตัวเองเข้าผสมกลมกลืนกับอารมณ์กับเหตุการณ์โดยไม่ทำตนให้เป็นคนขวางโลกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนหรือสมาชิกที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คืจับทุกแนวมันก็ได้ธรรมะทั้งหมดในแนวของลมก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะมองในแนวของความไม่ยินดีไม่ยินไรคืออาจจะเอาแนวของการสลายคือบางครั้งบางคราวลมก็สลายพัดผ่านสิ่งที่เหม็นไปแต่จะเริ่มสลายลงไปโดยลำดับทำใจเสมอลมประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเข้า ครั้งแรกก็อาจจะกระแทกกระทันแรงหน่อยตั้งหลักไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่อุ้มอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์ไม่เอามากรกลุ่มก่อให้เกิดความเร่าร้อนและจะจบลงด้วยคำว่าเรื่องแล้วไปแล้วผ่านไปแล้วไม่เก็บไว้ภายในใจคงสภาพความเป็นลมไว้ใจก็คงสภาพความเป็นใจที่มีคุณภาพคุณธรรมเอาไว้พอประสบกับอารมณ์เราอื่นก็เป็นเช่นเดียวกัน ทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเราจะมองในแง่ของการปฏิบัติโดยเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเหมือนลมซึ่งเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ต้วนแล้วแต่พร้อมจะเป็นบทเรียนแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามุ่งแก้ที่ใจตัวเองไม่ใช่ว่าพอมองเห็นคนอื่นเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็พร้อมที่จะทําลายกันได้พร้อมที่จะฆ่ากันได้ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่ใช่อย่างนั้น เป็นความจริงสองชั้นชั้นสมมติก็คือชั้นสมมติทุกอย่างเป็นเงื่อนไขของสมมติเป็นระดับที่เรียกว่กาวัตกรรมีกุศลคือกุศลในวัตตะมีกติกากฎเกณฑ์เงื่อนไขยอย่างไรก็ต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นดังที่เคยกล่าวมาว่าแนวการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีสามลดับด้วยกัน ต่พูดโดยสำนวนบาลีสำหรับแรกเขาเรียกว่าอานาเทศนาคือเป็นการแสดงธรรมะด้วยมากที่อานาเป็นข้อบังคับมีการลงโทษมีความผิดโดยข้อบัญญัติที่เราเรียกกันว่าศีลใครประพฤติละเมิดศีลดยเฉพาะผู้ที่บวชเข้ามาก็มีการลงโทษตามควรแก่ความผิดอีกระดับหนึ่งเรียกว่าโวหารเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่มากด้วยโวหาร ใช้โมหานต่างๆออกไปเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาสามารถน้อมนา ม, มาประพฤติปฏิบัติได้ระการแสดงธรรมะจะต้องเหมาะควรแก่คื้นอัธยาศัยหรืออินทร์ปรมีของบุคคลนั้นแต่พอถึงชั้นของกรรมฐานนั้นเป็นธรรมเทศนาประเภทที่เราเรียกว่ายถาปราทาสตร์คือความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนรู้อย่างนั้น แต่เรียนรู้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้เสียก่อนในเบื้องต้นและตัวปัญหาจริงๆก็คือที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นแน่นอนเรามีกาย ม, มีวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นแต่การแก้จะต้องแก้ที่ใจเท่านั้นเพราะร่างกายถ้าไม่มีใจมันก็เหมือนกับท่อนไม้อย่างในคาถาสวดบางสกุลเป็นหรือแม่แต่บางสกุลตายที่ใช่กัน แล้วก็เป็นสภาพที่รู้เห็นประจักษ์แก่สายตาเรื่องประจักษ์แก่สายตานั่นเองทรงสอนทรงเน้นให้เข้าถึงใจคือให้ประจักษ์แก่ใจเป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าสัมมปัญญาคือรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งสภาพเหล่านั้นเป็นความจริงอย่างไรก็เรียนรู้อย่างนั้นแต่ว่ากิเลสนั้นไปกาหนดมันขึ้นเอง ความเป็นของเราก็เป็นกรรมการกรำหนดขึ้นเองแล้วเรากาหนดไปได้เรื่อยก่อนทีเดียวของเราก็มีแม่เท่าไหร่เกิดมาก็มีเพียงตัวเราแล้วก็มีแม่เรามีพ่อเราของเราก็คืบคลานคืบคลานขึน้นมาโดยลาดับจนในที่สุดครอบข่ายของเราก็ขยายกว้างออกไปความทุกข์ความเดือดร้อนก็กระจายตัวเองออกไป บางทางที่กำหนดว่าของเรามันก็พร้อมที่จะเกิดกิเลสได้ทุกแนวก ำ, กำหนดว่าเป็นพวกเป็นสิ่งของของเราก็ก่อให้เกิดความรักใคร่เ ย, ย็นดีกำหนดเป็นศัตรูของเราก็ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทมองสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนก็ก่อให้เกิดความหลงความเขลาต่างๆขึ้นมาและแม้แต่แนววานะก็มีลักษณะอย่างนั้น พอแกกระจายตัวเองออกไปแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพจิตของบุคคลแต่ถ้าหากว่ามองในแนวดังกล่าวคือมองสักเทวดาไม่ใช่ของเราดินก็สักเทวดาดินน้ําก็สักเทวดาน้ําลมก็สักเทวดาลมไฟก็สักเทวดาไฟซึ่งว่าที่จริงแล้วเป็นการสอนในแนวเดียวกันทั้งหมดอย่างเรื่องที่เขียน ก็สักแต่พอเห็นได้ยินก็สักแต่พอได้ยินได้ทราบก็สักแต่พอได้ทราบได้รู้ก็สักแต่พอรู้ไม่มาปรุงเป็นหน้าใายหน้าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะถ้าเกิดปรุงอย่างนั้นเช่นปรุงหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจก็เกิดสุขเวทนาก็เกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาในสุขเวทนาอยากได้สุขเวทนาพอสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกสุขเวทนายังอยู่ก็เกิดยึด มันมีปัญหาทั้งสองทางคือมีขณะที่มีอยู่ก็มีปัญหาจากไปก็มีปัญหาซึ่งเรื่องเหล่านี้มองอะไรก็ได้มองวัตถุสิ่งของสักอย่างหนึ่งที่ใจไปกาหนดว่าของเราถ้ากาหนดว่าของเรามากจะมีปัญหามากลูกของเราหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราอะไรของเราพอมากเข้าแล้วจะมีปัญหาความรู้สึกห่วงยายวิตกกังวลเดือดร้อนกับของเรามากเกินไป แต่ถ้าผ่อนคลายความรู้สึกของเราคือบางครั้งทรงสอนในทํานองที่เรียกว่าทำตัวเหมือนกับนกคือจับที่ไหนก็ไม่ทิ้งรอยแล้วถึงโอกาสก็บินไปได้ก็มีปีกเป็นนกแน่นอนการปฏิบัติในแนวนี้ถ้ามาผู้ครองเรือนนั้นก็ไม่ค่อยสอนนักแต่ถ้าบุคคลสามารถทำใจได้คือแก้ปัญหาในเรื่อง จ, จิตใจของตัวเองได้ มองสักแต่ว่าธาตุเสียบ้างสักแต่วารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเป็นต้นเสียบ้างแต่อย่างนั้นที่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันการแยกาธาตุนั้นออกจะลึกซึ้งลงไปหน่อยเพราะตอนแยกดูเสียก่อนแต่ว่าการมองสักเตว่ารูปสักเตว่าเสียงสักเตวากลิ่นสักแต่วารสสักเตว่ตวตวาผลตพะนั้นมองกันมาทั้งชิ้นชิ้นกันเลยในชั้นที่ลึกซึ้งประณีตลงไปนั้น บางครั้งใจแกไม่ยินดีแกไม่กําหนดว่าของเราในปัจจุบันจริงแต่ก็แกว่งไปสู่อดีตหรือบางทีก็สายไปหาอนาคตบนเพอ้อพร่ำเพอ้อถึงอารมณ์ในอดีตไขว่คว้าสแสวงหาอารมณ์ในอนาคตพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูทั้งหมดเลยในการทั้งสามคือทั้งอดีตทั้งอนาคตอย่างที่ทรงแสดงเป็นสูตรใจที่ต่างๆ โดยสรุปไว้ว่าทั้งที่เป็นอัดีก็ดีเช่นว่าซื้อสรุปเป็นขันท่าหรือธาตุหรืออะไรก็ตามก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดว่าที่เป็นอัดีก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสักเตว่าธาตุสักเตว่าดินน้ำลงไฟหรือว่าสักเตว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าสักเตวารูปเสียงกิริยโศกุตภะ โดยวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายแล้วเป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดคืออะไรคือต้องการคุ้มครองใจบุคคลไม่ให้เกิดกำนัดเกิดขัดเกืองเกิดลุ่มหลงเกิดเัวเมามในอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์คืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสผุิตภัณ์ที่มากระทบและไม่มีการกำหนดหมายอารมณ์อย่างน้อยก็บรรเทาความกำหนดหมาย ไม่มีการกำหนดหมายอารมณ์ด้วยอำนาจตระหนว่าของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจทิฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในขั้นของการยอมรับความจริงที่มาถึงเข้าทำอย่างไรชื่อว่ายอมรับจริงหมายความว่าเมื่อสิ่งที่เราไปกำหนดว่าของเรานั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาตั้งหลักได้ สิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วสิ่งที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาได้แก่ไปแล้วสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วสิ่งที่จะต้องหายไปเป็นธรรมดาได้หายไปแล้วหรือบางครั้งกำหนดในแนวที่หยาบกว่านั้นเช่นข้าวของเงินทองได้สูญหายไปเขาไม่หายวันนี้เขาก็หายในวันหน้าหายวันนี้ก็ดีเหมือนกันจะไม่ต้องห่วงใยต้องมีควารักษาอะไรกันต่อไป ทำไมจึงต้องทําใจอย่างนั้นเพราะถ้าทำใจอย่างอื่นก็ไม่กลับพื้นคืนเป็นอะไรขึ้นมาได้นอกจากจะเป็นการบันทอนสุขภาพในด้านจิตใจของตัวเองให้ทุพลภาพลงไปนี่ก็คือการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นไม่ถึงกระชั้นของการละ ก, กิเลสแต่ก็สามารถบันเทาความรู้สึกดังกล่าวลงไปได้พันทาตุปรพระก็ดีหรือการกําหนดในแนวอื่นก็ดีนั้น วัตถุประสงค์แล้วก็คือมุ่งบรรเทาอาภิชากับโทมันนั้นเพื่อไม่ให้มีการกำหนดหมายตามสามแนวดังที่กล่าวมาแล้วว่าของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราใครกำหนดระลึกรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็สามารถที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปได้โดยลำดับตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป